ว่าวันอาสารหะบูชาอาสารหานี่เป็นชื่อของเดือนแต่เป็นเดือนพิเศษนะเนี่ยเป็นเดือนที่สมควรแก่การตามระลึกถึงเป็นเดือนที่สมควรแก่การบูชาโดยเฉพาะวันนี้ด้วยแล้วเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ในโลกเป็นวันที่แผ่นดินไหวเป็นวันที่แสงสว่างได้ปรากฏขึ้นในโลกเรียกว่า แสงสว่างอันโอฬานคือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมจักกับปวัตตนสูตรถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตีกลองอมะตะตีกลองกลองก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเปิดประตูแห่งพระนิพพานเป็นวันที่พระรัตนไตรมีครบในโลกเป็นวันที่ประกาศพระพุทธศาสนาที่เป็นข้อปฏิบัติสายกลาง เป็นวันที่ประกาศไตรสิกขาเป็นวันที่เปิดเผยอริยสัจก็ถือว่าเป็นวันสำคัญถือว่าเป็นวันแรกของของการครบองค์พระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าเป็นวันครบองค์พระรัตนตรยซึ่งอยากจะ ย, ย้อนถอยหลังเกี่ยวกับเรื่องของธรรมจักสักเล็กน้อยตามพระวินัยมหาคันตะซึ่งข้างหน้าต่อไปเราเรียนปฏิสัมพิธามมรนนะ ก็เป็นคำภีที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมจักรอยู่หลายวาระด้วยกันเช่นธรรมจักรกะถานี่ก็มีปฏิสัมพิธาใ น, ในปฏิสัมพิทาก็ยังมีพูดถึงเกี่ยวกับข้อความในธรรมจักรวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่อาสาฬหาบูชาพุทธบริษัททั้งหลายทั่วโลกนเนี่ยนะก็พากาันตามรำลึกนึกถึงคุณของพระตนตรยัยเป็นวันที่ เขาสวดธรรมจักมากที่สุดในโลกวันนั้นเป็นวันที่ทุกคนร่วมกันประชุมสวดธรรมจักรซึ่งวันนี้เราก็น่าจะเอาพระธรรมเหล่านี้มามากล่าวซึ่งก็ไม่ได้ขัดไม่ได้ขัดไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับปฏิสัมพิธาที่เรากําลังเรียนอยู่ปฏิสัมพิธาที่เรากําลังเรียนอยู่ตอนนี้ เป็นภาเวตปธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมที่ควรเจริญธรรมที่ควรเจริญธรรมแปที่ควรเจริญก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปนั่นแหละเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติซ้ายกลางอ่าประรบถึงข้อความในพระวินัยทบทวนนะเพื่อจะเดินเรื่องถึงว่าวันนี้มีเหตุการณ์อะไรบ้างเมื่อสมัยพระผู้มีพระภาคยังมีพระชนอยู่ คือหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสวยวิมุตติสุขหลังจากการตรัสรู้สุขที่เกิดจากการตรัสรู้สุขที่เกิดจากมรรคผลสุขที่เกิดจากการพิจารณาธรรมอยู่เจดสัปดาห์ด้วยกันก็คือ49่สิเกวันเมื่อพระองค์นั้นประทับอยู่นะสัปดาห์ที่เจ็ดนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ควงควงไม้ราชายตนะหลังจากนั้นพระองค์ก็กลับมาที่ต้นอาชาปาระะนิครด ต้นไทรที่พวกคนเลี้ยงแพะชอบไปนั่งกันเพราะอินเดียนี่เขามีแพเยอะนะพระองค์ก็ประทับนั่งนะัตควงไม้คำว่าควงไม้นี่เป็นภาษาโบราณก็ใช้กันสมัยนี้ก็เรนั่งโคลนต้นไม้นั่งใต้ร่มไม้ต้นไทรนะต้นไทรที่งามเมื่อพระองค์เสด็จอยู่ในที่สงัดหลกเรนอยู่พระองค์ก็มีความปริวิตตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ธรรมะที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเป็นธรรมะที่เห็นได้ยากรู้ตามได้ยากเป็นธรรมที่สงบเป็นธรรมที่ประณีตเป็นธรรมที่ไม่อย่างลงสู่ความตรึกคือไม่ใช่คาดคเน ก, กะเอาแล้วจะเข้าใจได้เป็นธรรมที่ละเอียดเป็นธรรมที่อยู่ในวิสัยที่บัณฑิตจะพึงรู้แจ้งและก็ปรารบถึงความสุขุมลุ่มลึกแห่งอริยสัจธรรม ความสุขุมลุ่มลึกของการพิจารณาปฏิจจสมุบาท ค, คือพิจารณาทุกขศาสตร์กับสมุทัยศาสตร์เห็นความลุ่มลึกของนิโรสัจะที่สงบประงับดับกองทุกขแล้วก็เห็นความยากแนะความละเอียดความประนีตแห่งอริยมรตมีองค์แปดที่ปฏิบัติเป็นที่ประชมแห่งโพธิปกักจะธรรมที่จะทําให้เกิดการตรัสรู้เมื่อพระองค์นั้นปรารบถึงสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ ประรอบถึงธรรมที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์ก็เลยมาพิจารณาดูหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะกล่าวว่าอัธยาศัยที่น้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลสรรพสัตว์นั้นมีอยู่ในอัธยาศัยอยู่แล้วนนะีอัธยาศัยอันนี้เป็นกรุณาของพระองค์นีนการที่จะช่วยสัตว์เนี่ยนะก็ดูว่าสัตว์ทั้งหลายปกติเขาเป็นอย่างไรก็ดูว่าหมูสัตว์นี้เรืองรมอยู่ด้วยอะไรยินดีในอะไรชื่นชมในอะไร คำว่าอะไรนะั้นเป็นชื่อของรูปเสียงกลิ่นรสพอธพะที่น่าปรารถนาน่าใครหน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใครพาใจให้กำหนัดเนี่ยนะ อ, อ, อะไรเหล่านี้ไม่ใช่ว่าสัตว์ทั้งหลายจะจะละได้ง่ายโดยสัพแปลก็แปลตรงตัวนะบอกว่าที่เป็นที่มาแห่งอะไรเพลิดเพลินในสิ่งที่ตัวเองอาลายัยอาวร์อยู่นั่นแหละในการที่จะฉุดออกจากสิ่งที่เขาอาวร์นี่ไม่ใช่จะเป็นของง่าย อาวอนนี่แปลว่าเครื่องกัน้นอาไลนี่ก็เพลิดเพลินทั้งอาไลทั้งอาวรนก็เลยหนับเลยกรณีพัธาธนาะที่เขาจะรู้ปัจจัยการความที่อวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารหรือปฏิจจสมุปาฏิหา ร, ริที่อาศัยการเกิดขึ้นสําหรับหมู่สัตว์ผู้เริงรมด้วยอาไลยินดีในอาไยชื่นชมในอาไลนั้นนะก็ยากคือยากที่เขาจะเห็นทุกขสัตว์กับ สมุทยศัตร์ยากที่เขาจะมีความเข้าใจในกา ร, รมสกตายากที่เข้าใจเหตุเข้าใจเหตุผลเข้าใจทุกข์เข้าใจเหตุแห่งความทุกขณะเดียวกันเขาก็ยังรู้ยากในธรรมะที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงคือพระนิพพานเป็นที่สงบประ ง, งับดับสังขารเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตันหาเป็นธรรมที่สิ้นกำหนัดเป็นธรรมที่ดับสนิทเป็นธรรมที่หาตันหาเครื่องร้อยรัดไม่ได้ มักษัตริ์กับนิโรสัจชะนี่นะก็ถือว่าเป็นธรรมที่แสนยากที่จะเห็นได้เพราะพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่สงบละเอียดลึกซึง้งผู้ที่จะเห็นพระนิพพานได้นั้นจะต้องปฏิบัติอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดจึงจะมีการตรัสรู้สรุปว่าอริยสัตว์เป็นของยากเป็นของลึกซึง้งถ้าเราจะพึงแสดงธรรมสัตว์เหล่าอื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงธรรมของเรา ข้อนั้นก็ชื่อว่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะเพึงเป็นความลําบากเปล่าแก่เราการที่จะประกาศอริยสัจให้เขาได้ยินได้ฟังคือเขามีใจเป็นอื่นไปแล้วนะเมื่อเขามีใจเป็นอื่นไอ้คาว่ามีใจเป็นอื่นนี่เป็นยังไงก็มีใจไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับโภตาพะหมดแล้วแล้วจะหันหลังดึงเข้าออกมาบอกอริยสัจเป็นอย่างนี้นะนี่คือธรรมะที่สงบระงรับดับจากกองทุกข์หมายเขาเหมือนอะไรนะ เหมือนเพื่อนเขาจัดงานเลี้ยงและเราชวนเขามาฟังทำเนี่ยนะนะโดยปกติแล้วใจของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันมีงานเลี้ยงอยู่ทุกวันในใจะนะเพราะในการที่จะดึงออกมาเพื่อพิจารณาอริยสัจรู้เห็นตามเป็นจริงนั้นท่านบอกว่ายากถ้าเราสอนไปเขาไม่รู้นะเหนื่อยเปล่าแนะนะ่เขาเหนื่อยเปล่าก็คือเหนื่อยฟรีแนะ่นะนะไม่เกิดผลอะไรสักอย่างจะถ้าแสดงเอาบุญมันก็ไม่ใช่เพราะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วว่านกะน พระองค์ก็เลยกล่าวเป็นคถาว่าบัดนี้เราไม่ควรประกาศธรรมะที่เราได้บรรลุแล้วโดยยากเพราะธรรมะนี้อันสัตว์ผู้ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำแล้วไม่ตรัสรู้ได้ง่ายสังเกตดูนะว่าขณะที่โกรธอยู่เนี่ยธรรมะไม่รู้กระดอนหายไปไหนหมดฟังมาตั้งเยอะไม่รู้หายไปไหนหมดนะนีขณะที่โลภอยู่ธรรมะก็หายหมดขณะที่ลุ่มหลงงงไปหมดเลยก็ธรรมะก็หายหมดนั้น ราคะโทสะโมหะนีครอบงำอยู่ในใจทำให้ยากที่จะเข้าใจธรรมะเหล่านี้ได้ยากที่จะได้กำหนดรู้ทุกยากที่จะละสมุทัยยากที่จะทำนิโรธให้แจ้งยากที่จะอบรมอริยมรรคเพราะสัตว์ผู้อันราคะยอมแล้วคือหมายราคะยอมนี่หมายความว่าใจนี่มันชุ่มไปด้วยราคะสิ่งที่เขาอยู่ข้างหน้าของเขาทั้งหมดเนี่ยแรงราคะฉุดไปหมดเลย แรงแห่งราคะฉุดไปหมดถูกกองอวิชชาเนี่ยหุ้มหอ่อหมายก็ว่าเขาเนี่ยถูกล่ามถูกดึงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแล้วอวิชชาก็ปิดตาปัญญาปิดธรรมจักษุก็เลยถูกกองอวิชชาหุ้มหอ่อไม่สามารถที่จะเห็นอริยสัจธรรมอันละเอียดลึกซึ้งยากที่จะได้เห็นละเอียดอย่างยิ่งอันอยังสัตว์ให้ถึงธรรมะที่ทวนกระแสดโดยเฉพาะพระนิพพาน เป็นธรรมะที่ทวนวัตตะโดยสิ้นเชิงเลยนะเรียกว่าเป็นธรรมะที่หันหลังกลับให้วัตตะเพราะฉะนั้นบอกว่าเราไม่ควรประกาศพระองค์ก็น้อมไปเพื่อขวนขวายน้อยน้อมไปเพื่อไม่แสดงธรรมครั้งนั้นท้าวสหบดีพรมทราบความปริวิตตกแห่งจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใจของตนแล้วก็เกิดมีความปริวิตตกคิดขึ้นพิจารณาเลยว่า ชาวเราผู้เจริญโลกเชี่ยายหนอโลกพินาศแล้วหนอ่างัน้นนะคำว่าโลกโลกก็คือหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเชี่ยผายแล้วโลกคือหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพินาศแล้วพินาศจากอะไรพินาศจากมรรคผลนิพพานเขานี้ไม่มีโอกาสได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้าท่งน้อมพระทัยไปเพื่อขวนขวายน้อย ไม่ทรงน้อมพระไทยไปเพื่อแสดงธรรมนะไม่น้อมไปเพื่อประกาศทุกขาริยศาสตรไม่น้อมไปเพื pues ่อประกาศสมุทัยอริยศาสตร์ไม่น้อมไปเพื kind of ่อประกาศนิโรธอริยศาสตร์ไม่น้อมไปประกาศทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยศาสตร์เมื่อพระองค์ไม่น้อมไปเพื่อประกาศทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยศาสตร์การแสดงสติปทานสัมมาปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชงองค์มาก็ไม่เกิดขึ้น รัตนะก็เหมือนกับว่าถูกปกปิดมันโมศทั้งหลายก็เสื่อมก็คือไม่มีโอกาสได้งอกเงยไม่มีโอกาสที่จะออกจากวัฏฏุกข์ไม่มีโอกาสที่จะออกจากอบายทุคติวินิบาศและนรกพันท้าวมหาพรมคิดแล้วว่าชิบหายแล้วว่างั้นพินาศแล้วนะแต่ก็พรมเนี่ยสามัญญาสำนึกพรมเนี่ยบอกจริงๆว่าถ้าสัตว์ไม่ได้ฟังอริยสัยจธรรมไม่ได้ตรัสรู้อริยสัยจธรรมมันเป็นความพินาศอย่างแท้จริง มันเป็นความพินาศเป็นความเสียหายเป็นความชีพหายที่เรียกว่าไม่มีอะไรจะชิบหายมากกว่านี้อีกแล้วนี้ย้อนกลับมาว่ามีอยู่สูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าพาพระพิสุไปดูเหวเห็นเหวแล้วมันลึกมากนะใครตกไปตายแน่ตกไปไม่เหลือกระดูกนี่เละหมดอะพระพิสุก็บอกโอ้เหวนี่น่ากลัวลึกน่ากลัวจริงๆริงว่างั้น ถ้าใครตกลงไปนี่รอดยากพิสุก็เลยถามว่าข่าแต่พระองค์พูดเจริญยังมีเหวอะไรที่มันยังลึกยิ่งกว่า น, นี้อีกไหมที่มันดูน่ากลัวกว่า น, นี้อีกไหมก็บอกว่าการไม่เห็นอริยสัจน่ากลัวกว่านั้นเห็นนะเพราะเหวอันนี้ตกไปแล้วมันก็แหลกแค่ชาติเดียวแต่การไม่รู้อริยสัจเนี่ยแหลกกี่ร้อยชาติกี่หมื่นชาติแหลกกี่โกดกับละ่ะสังสารวัตที่ต้องไปเนี่ยไปแหลกทุกชาติ แปลว่าถูกเผาถูกทุบถูกฆ่าถู ก, ถ ก, ถ ก, ถกตอนถูกอะไรทุกชาติที่ท่องเที่ยวไปพันมันน่ากลัวที่สุดคือการไม่เห็นอรยิยสัจพราะันประตูแห่งอรยิยสัจเนี่ยอยู่ที่พระโอษของพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่เปิดพระโอษที่จะแสดงอริยสัจอะไรจะเกิดขึ้นพันความความคิดของท่านก็บอกเลยว่าโลกพินาศโลกชิบายแล้วลาดับนั้นเท้าสหัมบดีพรหมก็ได้หายไปในพรหมโลกหายจากพรหมโลกมาปรากฏณเบื้อง พระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าดุดบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู่หรือคู่แขนที่เหยียดฉะนั้นครั้นแลพรมนั้นก็ห่มผ้าอุตราสค์เฉียงบ่าคุกเข่าชานุมนทลเบื้องขวาลงแผ่นดินเรียกว่าคุกเข่าแบบพรมก็คืออีกข้างหนึ่งยกขึ้นอีกข้างหนึ่งเอาลงอ่ะนะปนมอัญเชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ก็อย่างที่เราเคยได้ยินกันบ่อยนะคำอาราธนาแสดงธรรมพรมมาจโลกาทิปฏิสามปฏิกัดอันชลีอันติวรังอายาจะทะเทเสตุธรรมมังอนุกรรมปีมังประชังเนี่ยน ะ, ะพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดสแสดงอริยสัจธรรมขอพระสุคต คื อ, อนนพระผู้มีพระภาคก็คือผู้จำแนกแจกแจงธรรมรัตนะผู้มีส่วนแห่งโลกุตระธรรมทั้งมวลผู้เป็นธรรมราชาขอพระองค์ผู้สุขคตผู้เสด็จไปดีแล้วไปสู่อมตะนิพพานขอให้พระองค์นโปรดแสดงธรรมโปรดประกาศอริยสัจจะทำเธอคำว่าโปรดนั้นหมายถึงกรุณาขอให้มีใจกรุณามุ่งบำบัดต่อทุกแห่งสัพพสัพทั้งหลายเธอ เพราะสัตว์ทั้งหลายจําพวกที่มีทุลีในจักรสูน้อยมีอยู่หมายคำว่าพวกที่มีทุลีในจักรสูน้อยคือพวกที่พลที่เขาพอมีศรัทธาก็มีนะพวกที่ยังมีวิริยะก็มีพวกที่ยังมีสติก็มีพวกที่ยังมีสมาธิก็มีผู้ที่อบรมปัญญาจากพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนก็มีอยู่ก็หมายคำว่าผู้ที่ยังมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญายังพอมีอยู่ เขาเหล่านั้นเพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมเขาเหล่านั้นจะเสื่อมจากสาระเสื่อมจากศีลเขาก็จะเสื่อมจากสมถะวิปัสนาเขาจะเสื่อมจากมรรคเสื่อมจากพ้นเสื่อมจากการรู้แจ้งแทงตลอดพระนิพพานเพราะไม่ได้ฟังธรรม